เพิ่งพากันตั้งใจวันนี้เป็นวันเดือนสิบเอ็ดแลมสิบสี่คำกาลปักแปลว่าเดือนดับเดือนหยุดก็ว่าวันพระเช่นนี้ บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ต้องนึกถึงว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางระเบียบไว้ให้อุบาตกอุบาสิกาได้เข้าวัดกัน ในสมาทานศีลอุโบสถรักษาไปชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งทั้งในฟังธรรมด้วยวันสิบสี่ค่ำก็มีวันสิบห้าค่ำเดือนขึ้นเดือนดับแล้วก็ขึ้นแปดค่ำแลมแปดค่ำอันนี้เรา ทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันอดิเรกคือเป็นวันพิเศษวันหนึ่งสำหรับผู้เป็นทายกทายกาจะต้องพักผ่อนการงานเกี่ยวกับการทำมาหาเลี่ยงชีพมาสำรวมตนอยู่ในวัดวาอารามรักษาศีลุโบสดให้บริสุทธ เพื่อเพิ่มภูณบุญคุสนให้แก่กล้าขึ้นไปด้วยว่าชีวิตของคนเรานี่มันจะเจริญไปได้มันก็เพราะอาศัยที่เราอบรมบ่มอินซีให้แก่กล้าขึ้นไปคำว่าอบรมในที่นี้มันก็ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่ว่าเราจะไปขำำมักขม้นเอาให้มันแก่กล้าขึ้นทันอกทันใจเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> เหมือนอย่างเขาบ่มใบา ย, ยาหรือว่าบ่มผลละไม้เช่นมะม่วงกล้วย อะไรเหมดนนี่ลนะมันก็ต้องอาศัยการบ่มนั่นมีสิ่งต่างๆเช่นใบไม้หรือว่าแผงต่างๆไปปกคุมไว้ให้มันได้รับความอบอุ่นทีละน้อยละน้อยไปครานี้ คนไม้นั้นมันก็ค่อยสุกไปทีละน้อยละน้อยออนานเข้ามันก็เลยสุกงอมเลยวะนี้สุกทั่ว <c oughs> ข้อนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเละการอบรมกายวาจายใจของคนเรานี่เราไม่ได้อบด้วยวัตถุภายนอกอย่างนั้นเราอบด้วย คุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราน้อมเอาพระธรรมนั้นเข้ามาสู่ใจให้ปรากฏอยู่ในใจของตอนนี่เช่นอย่างว่าผู้รักษาศีลแปดหรือศีลอุโบสถช่วงวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้นะอ้าวก็น้อมเอา คุณของศีลนั่นแหละมาสู่ใจนี่มาพิจารณาดูว่าการรักษาศีลอุวบสถนี่มันมีคุณค่าแก่ตัวของเราอย่างไรบ้างทำให้จิตใจของเราสบายอย่างไรบ้างนี่นวก็เป็นหน้าที่ของผู้รักษาอุวบสถศีลจะต้องน้อม สติเข้ามาสำมรวมใจพิจารณาให้เห็นคุณค่าของอุโบสถสินด้วยตนเองถ้าจะว่าแล้วการรักษาอุโบสถสินนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่เป็นพรหมจรรย์ชั่วคราวไม่ตลอดไปสำหรับพระภิกษุษสามเณรแล้ว เลือกเชื่อว่าเป็นผู้รักประพฤติพรหมจรรย์เรื่อยไปในเมื่อ ย, ยังครองผ้ากาสาวพัตน์ี้อยู่ตรับใจแล้วก็จะเป็นผู้ประพฤติอย่างพรมคำว่าประพฤติพรหมจรรย์นั่นนะรมนั้นท่านมีพรหมวิหารสี่เป็นเครื่องอยู่ในใจ มีเมตตาการุณามุทิตาเวกขาอันนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่ของพรมอันนี้ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในพุทธศาสนานี่มันก็ต้องมีพรหมวิหารธรรมสี่ประการนี่แหละอยู่ในใจจึงชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือถ้าจะว่าอีกในหนึ่งก็เรียกว่า เป็นผู้มีความประพฤติอันประเสริฐคําว่าประพฤติพรหมจรรย์นี่นะเนอย่างนั้นมีความประพฤติประเสริฐยังไงอ่ะก็นในโลกนี้น่ะเขานิยมกันว่าบุคคลผู้ใดเป็นผู้ถอนตนออกจากกรรมคุณได้แสวงหาความสงบระงับ อยู่โดยลำพังเป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่เบียดเบียนใครนี่โลกเขาถือว่าเป็นผู้ประเสริฐตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแหละคิดดูตั้งแต่วพวกฤาษีดาบดั่นเป็นผู้ประพฤติคมวจันเหมือนกันแต่คมวจันของฤาษีนั่นมีศีลห้า เป็นเครื่องดำเนินแต่ว่าสินข้อที่สามนั้นต่างจากครรงหัดผู้คองเรือนข้อที่สามนั้นเอาอพมจริยาเข้าใส่เรียก ว, ว่าเป็นผู้เว้นจากกามคุณหรือสีดาบทสเสวงหาแต่ผลไม้มารับประทาน แต่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เลือกการเวลาการรับประทานผลไม้ดังนั้ น, น, นพวกฤาษีจึงได้แค่สินห้าแต่มันมีพรหมจรรย์เป็นเครื่องดำเนินในสินข้อที่สามแต่ถึงกันนั้นน่ะพวกชาวเมืองผู้ครองเรือนทั้งหลายก็าพากันเคารพนับถือ ถือเอาเป็นเนื้อนาบุญในสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกหมู่มนุษย์ก็ทำบุญกับพระฤาษีนั่นแหละอันพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เคยเป็นพระฤาษีมาหลายชาติพระราชาได้ทราบเข้างี่ก็อาราธนาให้พระฤาษีโพธิสัตว์กับปริวาน อาไปฉันพัฒตาหารในพระราชาวังบ่อยๆ อ, อ, อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้านี่พระองค์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกมาแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่นู่นแต่ว่าหากเป็นเนื้อนาบุญที่ไม่สมบูรณ์แบบไม่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ เป็นพรพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญอ mm ันประเสริฐของโลกทีเดียวต mm hmm. พพ่อพระองค์เป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วโดยประการทั้งปวงตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั่นอาสวะกิเลสยังไม่หมดแต่ว่าหากเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลมากกว่าคนธรรมดาสามัญ น, <c oughs> นั่นก็แสดงเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าเนี่ย ก, กลัวว่าพระองค์จะได้ตัดสร้ปสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็อบรมบ่มอินทรีย์ของพระองค์มาในวัฏฏะสงสารนี่คนานานับชาติไม่ถ้วนเลยอินทรีย์บารมีจึงได้แก่กล้าขึ้นมาจึงสามารถตัดสัุ้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกได้เราต้องคำนึงถึงพระพุทธเจ้าเรามาเป็นอารมณ์ จึงจะทำให้เราเป็นผู้มีความอดมีความเพียรในการปฝึกฝนอบรมตนให้อินทรบารมีมันแก่กล้าไปถ้าผูใ้ใดไม่นึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์บ่อยๆเช่นนี้มันก็ทำให้จิตท้อถอยในอันที่จะกระทำคุณงามความดีติดต่อกันไป เพราะว่ากิเลสมันคอยสกัดกั้นทางดำเนินของชีวิตอย่างว่านี้อยู่เสมอทีเดียวเรื่องของกิเลสแล้วมันเป็นมารของหัวใจมันคอยสกัดกั้นไม่ให้คนเรานั่นทำความดีให้สูงขึ้นไปได้ดังนั้นจึงต้องอาศัยความอดความเพียรตั้งลงในใจ ไม่ได้เร็วก็เอาช้าคําว่าความเพียร น, นะคําว่าไม่มีความเพียร น, นะพอขมักคาเม่นเข้าไปหน่อยหนึ่งมันไม่ได้ตามประสงค์แล้วก็ถอยหลังเสียไม่ทําต่อไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรดันงนั้นเมื่อไม่มีความเพียรก็ชื่อว่าไม่มีความอดทนต่อความยากความลำบาก นั่นแหละความเพียรกับความอดนี่มันต้องไปด้วยกันเป็นคู่กันไปก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคือผลไม้นี่ยเขาบ่มไม่ใช่ว่าบ่มวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะสุกไปเลยมันก็ต้องอาศัยหลายวันนะอย่างน้อยก็เจ็ดวันนั่นวัวมันจะสุกงอมให้ไดเอามารับประทานมีรสอร่อยดี อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยบุญบา ร, รมีของคนเราเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นจากการอบรม น, นั่นเองอบรมคือการสัมรวมอย่างพายุทายิกามารักษาศีลอุโบสถอยู่ในวดัดอย่างนี้นะนี่เขาเรียกว่ า, าอบรมตนนะอบรมตนสัมรวมกายวาจาใจ สำมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำจิตใจในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นถ้าหากว่าไม่ปรีกตนออกมาอยู่พักผ่อนอยู่กับวัคกาบาอย่างนี้นี่มันสำมรวมอินทรีย์ไม่ได้เลยมันอยู่ในที่แวดล้อมของสิ่งต่างๆ มันอยู่ในที่เวดล้อมของคนหมู่มากของอะไรต่ออะไรทรพัอยากที่จะสำรวมอินทรีย์ได้ดังนั้นแหละ <c oughs> ผู้ที่มุ่งหวังจะอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นได้ตนก็จึงได้พยายามทอดทุรักการงานทางบ้านแล้วก็มาสำรวมตน อยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้ก็นั่นแหละเรียวกว่าเรามาพยายามอบรมบ่มอินรีให้แก่กล้าขึ้นแล้วก็ได้ฟังธรรมอีกด้วยเมื่อได้ฟังธรรมก็ได้รู้เหตุรู้ผลของชีวิตธรรมะคำสอนของพระเจ้าทรงแสดงก็เกี่ยวกับชีวิตของคนเรานี่เองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่น อย่าไปเข้าใจว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นคำสอนของพระเจ้านะสอนให้คนเรานมารู้จักชีวิตของตัวเองนี่ตามเป็นจริงพร้อมทั้งเหตุทั้งผลแต่คนส่วนมากนะีมันไม่ค่อยรู้เรื่องราวแห่งชีวิตของตัวเองตามเป็นจริงได้ไม่ทราบว่าตนเกิดมาเพราะอะไรทำไมตนยังเกิดมา เกิดมาแล้วทำไมมันถึงแก่เจ็บตายทำไมจึงไม่ยั่งยืนถามออนอะไรเกิดมาแล้วทำไมยึงได้ประสบทั้งความสุขและความทุกข์โ ม, มนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องคิดจะต้องกรองให้รู้ให้เข้าใจไม่เช่นนั้นแล้ว แล้วก็หาทางออกจากทุกข์ไม่ได้เลยเมื่อทุกข์ครอบงำเข้ามาก็มีแต่ร้องครวญคราง ม, มีแต่บ่นพึมพำกันไปปรับทุกข์ต่อกันไปเท่านั้นเองเนี่ยไม่รู้จักทางออกจากทุกข์เลย <c oughs> ดังนั้นคนบางคนเมื่อกลุ่มใจมากๆว่ามีทางออก ได้ก็ถึงว่าฆ่าตัวตายมันคับแคบใจหลายมันอึดอัดใจหลายอยู่ในโลกนี้เห็นจะอยู่ไปไม่ได้แล้วบางคนก็ไปผูกคอตายบางคนก็กินยาตายบางคนก็ยิงตัวตายไออย่างนี้มีอยู่แทบบ่อยๆเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นคนเราไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตนี่ตามความเป็นจริงแล้ว มันเกิดความเข้าใจผิดไปที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเรื่องใดมาถึงเข้ามันมีแต่ยึดเอาไว้ยึดเอาไว้เรื่องสมหวังมาถึงกด็ดยินดีเพลิดเพลินไปตามถ้าเรื่องผิดหวังมาถึงเข้าก็เสียใจเศร้าโศกไปตามทับแ้นใจอ ระงับอารมณ์อนนั้นไม่ตกเลยไม่ได้เลยเนี่สาเหตุที่คนเราจะฆ่าตัวตายทุกคนต้องระวังตัวต้องระวังไว้ต้องสำรวมจิตใจของตนให้ดียึดเอาคุณพระรัตน์ไกลเป็นที่พึ่งไว้ก่อนอื่นทั้งหมดเลยต่อจากนั้นเราก็มานึกถึงกรรมถึงผลแห่งกรรมที่ตนได้ทำมาแต่ ชาติก่อนโน้นก็ดีที่ทำลงในปัจจุบันก็ดีพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายนะ่ะมีกรรมเป็นของของตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อทำกรรมใดไว้ก็จะต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย แต่ศาสนาอื่นเขาไม่ได้สอนกันอย่างนี้เขาสอนกันไปอีกแหบหนึง่งเขาสอนกันอย่างศาสนาพราหมอย่างนี้แหละแปลว่าคนเรานี่มันเป็นชั้นชั้นนะเขาถือพวกพราหมณ์นี่เขาถือว่าเป็นผู้ประเสริฐในโลกกว่าบรรดาคนตระกูลอื่นเขาถือว่าพวกพราหมณ์นี่เกิดมาจากปาก ท้ามหาพรหมไอ้กษัตริย์นี่ถือว่าเกิดมาจากหน้าอกท้ามหาพรหมไอพ้พวกพ่อค้าปาณิชชาวนาชาวสวนหมู่นี่ว่าเกิดมาจากเท้าเท้าของท้ามหาพรหมไอ้พรามเนี่ยเขาสมมุติเอาเองเขาเขาสมมุติคนที่เกิดมาในโลกนี่แบ่งชั้นวรรณะเอาเองออ คล้ายๆกับว่ามนุษย์ของเรานี่น่ะมีเท้ามหาพรหมเป็นผู้นิรมิตให้เกิดขึ้นมีขึ้นดังนั้นน่ะพวกคลามเนี่ยในครั้งพุทธเจ้าเนะ่ะเขาจึงมีสร้างโรงบูชา ย, ยันไว้จับแพะจับแกะมาทีละสี่ห้าร้อยตัวแล้วมาเชื่อดคอโยนเข้ากองไฟให้ไฟมันเผาเนื้อแพะเนื้อแกะนั้นให ให้มันส่งกลิ่นขึ้นไปสู่พรหมโลกนุ่นให้ท้ามหาพรหมได้สูดดมเอากลิ่นสัตว์เหล่านี้เอมันเข้าใจว่าถ้าวหมาพรหมจะได้ได้ได้สูดเอาดมกลิ่นนั้นสัตว์ที่ถูกเผาไฟเข้าไปแล้วนั่นน่ะพรหมนั้นจะได้อิ่มเป็นอาหารของพรหมเข้าใจไปอย่างนั้นคนพวกนับถือศาสนาพราหมณ์ เพราะฉะนั้นพวกเหล่านั้นมันจึงได้ทําบาปทํากรรมมากไม่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไว้มากมายแล้วถึงฤดูกาลมาแล้วจับไปฆ่าโยนเข้ากองไฟให้ไฟไฟเผาเป็นเท่าเป็นฐานไปเนือว่าทําบาปโดยไม่ใช่เหตุกินก็ไม่ได้กินเผาไฟทิ้งเฉยๆนี่หน้าทุนเล่จริงๆแล้วีิศาสนาแบบเนี้ย เมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเพราะองค์ยิงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้คนเหล่านั้นที่มาเฝ้าทูลถามถึงลทัทธิบูชายันมีประโยชน์อย่างไรบ้างอะไรพวกนี้นะพระองค์เจ้าก็ทรงแนะนำสั่งสอนพลิกจากการฆ่าสัตว์เผาไฟบูชาพระพรหมนั้น ให้เป็นการบูชานันแบบรวบรวมอาหารการบริโภคผ้านุ่งผ้าห่มอะไรนั่นแลยก็เอาไปแจกคนยากคนจนนั้นแทนการฆ่าสัตว์เผาไฟการบูชานันอย่างนี้มีประโยชน์มากทำให้คนยากคนจนเขาก็ได้อาศัยคนมั่งมีสีสุขเหล่านั้น โลกเราก็อยู่ร่วมกันไปโดยสันติสุขไม่คิดเบียดเบียนกันถ้าว่าผู้ร่ำรวยไม่เหลียวแลผู้ยากจนผู้ยากจนเขาเก็บวางแผนจี้ปร้นข้าเจ้าเอาของไปมีปรากฏอยู่ในโลกนี่ไม่ขาดสายเลยเรื่องนี้ น, ะนั่นแหละเนื่องจากว่าคนรวยไม่มองดูคนจนนะมักจะเหยียดหยามคนจนอีกซ้ำ รวยเท่าไรแล้วก็ยิ่งอยากจะรวยมากๆขึ้นไปอยากจะให้โลกเขายกย่องว่าเป็นมหาเศรษฐีอะไรอย่างนี้บันนี้คนจ น, นมันมองคนรวยอย่างนั้นด้วยสายตาอันไม่เป็นมิตรซะแล้วดังนั้นมันจึงวางแผนฆ่าคนรวยตายอยู่บ่อยๆทุกวันนี้ทุกวันนี้มีในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ คนรวยแล้วถูกฆ่าตายน่าทุเล็จริงๆนะคนรวยถ้าหากว่ามีใจเมตตากรุณาเผื่อแผ่รู้จักสละทรัพย์สมบัติอันนั้นออกมาช่วยเหลือคนยากคนจนคนป ร, ประทบอุ บ, บัติเหตุเช่นน้ำท่วมไฟไหม้อะไรมวดนี้นะ ถ้าผู้ใดหางมีใจกล้องขอางเผื่อแผ่ลงไปอย่างนั้นเข้าใจว่าไม่ถูกฆ่าตายหรอกไม่มีใครจะอิจฉาหรือเสยยมีแต่เขายกย่องสนรเสริญนั่นแหละ <c oughs> อันนี้เนีเพราะฉะนั้นคำว่าอบรมบ่มอินซีเนี่ยมันก็ได้แก่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละ เอาการให้ทานมันก็เป็นการอบรมบ่มอินรีอย่างหนึง่งนี่ทำให้ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้เมตตาพรหมวิหารนั่นมีกำลังแก่กล้าขึ้นไปเช่นนี้นะการรักษาศีนก็เหมือนกันนะก็ทำให้พรหมวิหารสีนั่นแหละ แก่กล้าขึ้นในใจเพราะผู้จะรักษาศีลได้นั้นมันต้องประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุบเบกขาถ้ากว่าคุณธรรมเหล่านี้ไม่มีอยู่ในใจหรือมีน้อยอย่างนี้นะผู้นั้นจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ฟุตป่องนั้นไม่ได้หรอกไม่ได้คำว่าเมตตาก็รู้กันอยู่แล้วว่าหมายเอา ความรักให่ปาถนาที่จะให้สัตว์ทั้งลหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันคำว่ากรุุนนาก็แปลว่าความสงสารในเมื่อเห็นคนอื่นหรือสัตว์อื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากแล้วก็หาทางคิดช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความยากความลาบากอันนั้นไปเท่าที่จะช่วยได้ทีนี้เมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดิบได้ดีมีลาบมียศ อย่างนี้ก็ไม่ไม่ไม่ควรที่ไปคิดอิจฉาลิสยาก็แสดงความยินดีพอใจด้วยเรียกว่าแสดงมุทิตาจิตคือความพรอยยินดีในเมื่อเห็นผู้อื่นเขาได้ดีได้ดีทีนี้เมื่อเราจเจริญเมตตากรุณาสองอย่างนั้นไม่สำเร็จหมายความว่า เราคิดช่วยเหลือคนหมู่หนึ่งคนคนหนึ่งที่ที่เขากำลังประสบความยากความทุกข์ความลำบากอยู่นั้นเต็มความสามารถแล้วก็ช่วยไม่ได้เช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเสียใจเศร้าโศกก็ต้องนึกถึงกรรมของเขาเองที่ช่วยเหลือไม่ได้อย่างนั้นก็เพราะอำนาจแห่งกรรมชั่วที่เขาทามาแต่ชาติก่อนนั้นตามมาสนองเอา เขาจึงประสบภัยพิบัติความทุกข์ยากลำบากโดยไม่มีใครช่วยเหลือได้อํานาจแห่งกรรมชั่วไม่มีสิ่งใดจะมาลบล้างได้เมื่อนึกได้อย่างนี้แล้วก็วางอเวคาลงไม่ต้องเสียใจดีใจออันอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ย่อมมีศีลบริสุทธิ์ใจเลยไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอย่างนั้น ถ้าเช่นอย่างว่าเห็นคนอื่นเขาได้ดีบได้ดีร่ํารวยก็ไปเกิดอิจฉาริษยาเข้าไปอออยากแกกดเขาลงให้ต่ําลงเสมอตอนอย่างนี้มันก็ทําสินให้เต้าหมองลงไปถึงว่าไม่ไม่ตรงต่อข้อสินก็จริงอยู่หรอกแต่มันก็อนุโลมเข้าในปาณาติบาตนั่นแหละการอิจฉาริษยาผู้อื่น่ะ อย่างนี้เห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีแล้วน้อยเนื้อต่ำใจว่าเขาได้ดีกลัวตนะตนนี่ทำมไมยังตกต่ำอย่างนี้เห็นเขาได้ดีได้ดีกลัวตอนอย่างนี้นไม่ขอใจแทนที่จะแสดงมุทิตาจิตพรอยินดีกับเขาเอาเกิดไปอิจฉาลิสยาไป คมคูเข้าไปอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้นะมันก็เข้าทำนองที่ว่าเป็นผู้มีศีลด่างพล้อยนั่นแหละเอาไปเอามาบางทีก็ศีนขาดไปเบียดเบียนผู้อื่นเข้าให้นี่เพราะฉะนั้นจึงว่าการรักษาศีลห้าก็ดีศีนอุโบสถก็ดีจึงเชื่อว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ อย่างหนึ่งแต่และอย่างละอย่างนะสินห้ามันก็เป็นพรหมจันทร์ของผู้ครองเรือนพรหมจัมนทร์ผู้ครองเรือนเนะี่ยก็เส้นข้อกามเมุวิสาจาันะเป็นผู้ยินดีอยู่แต่ในผัรลเมียของตัวเองไม่ไปยินดีในหญิงอื่นชายอื่นในทางประเวณีอย่างนี้นะนี่มันก็เป็นพรหมจันทร์ของผู้ครองเรือนสำหรับผู้รักษาโวโสตรสิน สินแปดอย่างนี้อันนี้ต้องเว้นผมมาต้องเว้นข้อสินข้อที่สามนั่นโดยเด็ดขาดเลยเว้นเลยไม่ยินดีไม่พอใจในกา ร, รมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆนี่ทางกายก็ไม่แสดงอาการกิริยา เพลิดเพลินคึกขนองไปในกามคุณนั้นทางวาจาก็ไม่พูดเกี่ยวข้องไปในทางกามคุณผู้เป็นนักบวดยิ่งยิ่งต้องสำรวมให้มากไม่เช่นนั้นก็ศินเต้าหมองแน่เอผู้ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยขนองอย่างนี้แล้วก็ไป คุยกันก็ไปปลาลกถึงแต่เรื่องรักเรื่องใครเรื่องสวยเรื่องงามอย่างนี้นี่ทําให้พรหมจันทร์เศร้าหมองนะต้องเข้าใจก็ต้องเว้นเว้นจากกามคุณทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจเว้นหมดทั้งใจทวานนี่ต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าจะไปเว้นแต่ใจนู่นมันไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกหรอก ถ้ามันแสดงความคึกขนองออกมาทางกายทางวาจาแล้วมันก็สอบไปถึงใจนั่นแ่ะใจนั่นแหละมันคึกขนองนะใจนั่นแหละมันกำนัดยินดีมันจึงได้แสดงความคึกขนองออกมาทางกายทางวาจาอย่างนั้นมันต้องเข้าใจต้องรู้จักขมใจจากอารมณ์เช่นนั้นเมื่อเวลามันเผลอมันเกิดขึ้น ไม่ทรงเสริมมันพิจารณากรรมฐานเป็นเครื่องแก้กรรมฐานที่เป็นเครื่องแก้เหล่านั้นมันก็มีอยู่หลายอย่างเช่นนึกถึงอสุภะอสุฟังความไม่สวยไม่งาม <c oughs> แห่งสรรพรูปทั้งหลายในโลกนี้สัพพเสียงทั้งหลายหมู่นี้ล้วนตั้งแต่ไม่เที่ยงไม่ยังยืน นุ่นแต่ไม่สวยไม่งาม <c oughs> ที่ว่าสวยว่างามเนียมันหลงหลงหลงสมมุติทางหากโบราณท่านว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอืคนจะงามได้นี่เพราะแต่งตัวทางห่างนะถ้าลงไม่แต่งตัวลองดูที่สักเก็ดวันเนี่ยดูก็ไม่ได้หรอกอืม เข้าใกล้กันก็ไม่ได้ซ้ำนะเล อ, อเราไม่อาบน้ำชำระลา ก, กายอยู่สะเก็ดวันลงดูสิเข้าใกล้กันไม่ค่อยได้แล้วออนี่แะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรไปหลงไหลกับการประดับตกแต่งอะไรต่ออะไรหมู่นั้นนะเพราะมันเป็นของทั่วคราวออตกแต่งหรือประดับทาห้ําอบน้่าหอมอะไร มันก็ไปชั่วระยะหนึ่งซะแล้วหน่อยก็ละเหยไปแล้วมันก็เป็นกลิ่นธรรมดาปะนี่ออออกมาแล้วอย่างนี้แหละอะไรอะไรก็ดีรวมความแล้วเรียกว่ามันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นหลยในโลกนี้ตกแต่งให้สวยงามเท่าไรเท่าไหร่มันก็เป็นไปได้ชั่วคราวเลยพอนานไปแล้วมันก็ชำรุดทุดโทรมไป ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงไม่หลงไม่ไหลไปในสมมติของโลกอันนี้นั่นเอเราพู้ประพฤติพรหมจรรย์ น, นี่นะมันควรจะพิจารณาแท้ๆไม่ใช่เป็นของลึกลับอะไรที่เร า, าไม่สามารถจะมองเห็นได้ไม่มองดูด้วยตาหนังนี่ก็เห็นไดม้มันก็แสดงความจริงให้เห็นด้วยตาหนังนี่แต่ว่าเพียงจะเห็นด้วยตาหนังเท่านั้น ถ้าไม่เห็นด้วยตาในคือตาปัญญาแล้วมันจะไม่ถอนความพอใจเหล่านี้ออกได้เลยอมันเป็นยังไง <c oughs> พวกที่หลงไหลอยู่ในกรรมคุณมากมายนี่ถ้าอย่างเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้นะก็บำเพ็นตนเป็นนักเลงสี่จำพวกอ่ะเป็นนักเลงเจ้าชู้ ผู้ชายก็เป็นนักเลงเจ้าทู้ผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นนักเลงเจ้าชู้ผู้ชายนี่ผูกพันกันไปไม่ไม่สิ้นสุดแหละไอ้เบื้องหลังครอบครัวตัวเรือนของตัวเองเป็นยังไงไม่ไม่สนนะว่าจะได้รับความสุขสนุกสนานแล้วเป็นพอ่อนี่เนี่ยบุคคลผู้ที่ไม่สำรวม ตนปล่ <c oughs> อยใจให้เกิดความรักความไข่ไปอย่างรุนแรงมันก็ทําให้ชีวิตนี่เสื่อมโทรมลงไปในปัจจุบันนี้เองนะ <c oughs> ความเป็นนักเลงเจ้าชู้เงินทองมีเท่าไรก็จ่ายเพื่อความเป็นเจ้าชู้นั้น <c oughs> ไปมากมายถ้าผู้มีรายได้น้อยยิ่งเล้วใหญ่เลยยิ่งทําครอบครัวให้เดือดร้อนมาก นอกจากความเป็นเล่งเจ้าชู้แล้วก็เป็นนักเลงสุรายาเสพติดต่างๆหมูอนีนะ้ล้วนตั้งแต่เป็นปากทางในความเสื่อมแห่งชีวิตเสื่อมแห่งทรัพสมบัติต่างๆอมีเงินมีทองมากมายก็มีไม่ได้เพราะว่าของเสพติดเหล่านี้นะั้นเมื่อไม่ได้บริโภคแล้วมันอยู่ไม่ได้เงินมีเท่าไหร่ต้องจ่ายมันลงไปฮะอ อันเนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็บำเพ็ญจนเป็นนักเกรงเล่นการพนันหวังอยากจะรวยทางลัดเช่นนี้คนเล่นการพนันไม่เห็นว่ามันร่ารวยอะไรรวยก็รวยไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็ชิบหายลงเป็นอย่างนั้น ก็สำคัญแท้ๆแล้วก็ไปคบคนชั่วเป็นมิตร น, น, นี่การคบคนชั่วเป็นมิตรนี่นะป่าเป็นภัยอันร้ายแรงจริงๆนะบุคคลใดไปคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วมันสามารถทำชั่วได้ทุกอย่างเลยวันนี้นะ เ, เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนแหละไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ไอเรื่องการคบหาสมาคิกังบุคคล น, นี่แล้วมันต้องเลือกเนะมันต้องพิจารณา ให้ดีเราก็รู้เราต้องเรียนรู้ซะก่อนว่าลักษณะของคนพานนั้นเป็นอย่างไรในที่ปฏิบัตินี่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนี้ลักษณะของคนพานคนปอกลอกนั้นมีลักษณะที่นั่นนี่เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้งว่ เมื่อมีภัยแก่ตนจึงรับทำกิจตระลัของเพื่อนนี่ถ้าหากว่าไม่มีภัยพิบัติอะไรเกิดแก่ตัวเองแล้วไม่เหลียวแลเพื่อนเลยอะคนปอกรอกมันเป็นอย่างนั้นนี่คบเพื่อนก็เพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวอมุ่งหวังว่าจะคบกับเพื่อนนะมุ่งหวังว่าจะพบกระเป๋าเพื่อนนะมาใส่กระเป๋าของตัวเองคนปอกรอกนะมันมีลักษณะอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นนะเราต้องรู้จักพิจารณาดูการครบหาสมาคมกับบุคคลนะถ้าผู้ใดเข้าข่ายลักษณะอย่างว่านี้แล้วก็ไม่ควรครบเลยค น, คนหัวประจบคนดีแต่โพดคนทักชวนในทางจีบหมายอะไพวกนี้นะมันรุนแต่เป็นคนไม่ดีทั้งนั้นเลย คนหัวประจบนี่จะทำดีก็คล้อยตามจะทำชั่วก็คล้อยตามแล้วต่อหน้าว่าสรรเสินรับหลังก็ตั้งนินทาเออหม่เนี้ยออคนดีแต่พูดกันเมื่อได้ไปนั่งสนธนาปาษัยกันอย่างนี้ก็มักจะคุยเอาแต่เรื่องอดีตที่ร่วงแล้วนั่นมาพูดตนมีดีอย่างไรตนได้ มีความรู้ความฉลาดอะไรอจนได้ประสบความสําเร็จอย่างไรมาอย่างนี้ก็มักจะเอามาพูดมาคุยอวดเพื่อนเข้าไปอโดยอย่างนั้นคนดีแต่พูดนี่นะแล้วก็มักจะปลาล็กถึงเรื่องอนาคตต่อไปเบื้องหน้าเราจะต้องทําอย่างโน้นจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้เพื่อให้คนอื่นเขาได้เชื่อว่า คนพู้นี้เป็นผูฉ้ฉลาดนี้ปัญญาดีอะไรมืาเนี่ยนี่คนดีแต่พูดแต่ว่าพูดมากทําไปไม่ได้ตามที่พูดคนดีแต่พูดนี่นะบางคนน่ะเขาไม่พูดแต่ว่าเขามีความคิดสุขุมเขาทํามากกว่าพูดนั่นนั่นลักษณะของบัณฑิตนักปราชญ์เป็นอย่างนั้น นักปราดทั้งหลายนั้นไม่ไม่ไมอ้วนอวดดอกมีตะกม้มหน้าทำความดีเรื่อยไปเมื่อผู้นั้นมีคุณงามความดีถึงพร้อมแล้วคนอื่นยกย่องให้เองตนเองไม่จาเป็นต้องไปเที่ยวโคดชนาว่าตนดีอย่างนั้นตนวีเศษอย่างนี้อะไรบรรดานักปราดทั้งหลายท่านไ ม, ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ อ, อ้วนอวดใครคนเราบางคนเนี่ย ทำความดีอะไรเป็นนิดหน่อยนี่ก็อยากจะให้คนอื่นเขารับรู้ด้วยอยากจะให้เขายกย่องสรรเสริญเยินโยถ้าใครเขาไม่ยกย่องให้ไปโกรธเขาแบบนีนะ้นั่นเรียกว่าคนบ้ายศบ้าเกียรติบ้าชื่อเสียงไม่ควรเลยชาวพุทธทั้งหลายนะ่ การทําคุณงามความดีเนี่ยก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเลยเมื่อมันยังไม่ถึงพร้อมมันก็มัยังยังไม่ให้ผลเหมือนอย่างบ่มผลาไม้อย่างที่ยกอุปมาให้ฟังมานั่นเลยเมื่อไม่ไม่ถึงเวลามันจะสุกมันก็ไม่สุกการทําความดีในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อทําไปทําไปมันยังไม่ถึงพร้อมมันก็ยังให้ผลไม่ได้ ไม่ถึงเวลามันให้ผลมันก็ให้ผลไม่ได้เราต้องเข้าใจอย่างนั้นผู้ดใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ก้มหน้าทำความดีไปเมื่อเราทำความดีไปแล้วใครจะไม่ยกย่องสรรเสริญให้กอตามจะสรรเสริญก็ตามหรือใครจะนินทาก็แล้วแต่เราก็พยายามรักษาความดี ที่เราทํามาไว้ในใจให้ได้รู้ว่ารวมเอาความดีทั้งสามมาไว้ในใจนี่ให้มากๆเข้าไปเมื่อกุศลคุณงามความดีมันมากขึ้นมากขึ้นในใจแล้ววนันนี้มันก็ให้ผลไปได้เลยอออย่างงี้แหละถึงการเวลามาแล้วมันก็ให้ผลไปดังนั้นทุกคนให้พึ่งพากันเข้าใจ อันข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างที่แสดงให้ฟังมานี่แหละเราต้องค่อยทำค่อยไปค่อยรวบรวมบุญกุศลความดีไว้ในใจเสมอรักษาใจของตนให้ปกติส ม, ม่ำเสมออย่าไปรู้อำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงเอออย่างนี้นะเราต้อง ทำความยินดีพอใจในบุญในกุศลในสติปัญญาความรู้ความฉลาดของตัวเองว่าตนเองนั่นมีปัญญาสามารถละความชั่วได้อย่างไรตนสามารถทำความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้อย่างไรนั่นเราต้องทำความภาคภูมิใจในคุณความดีของตอนเองเนี่ยอยู่อย่างนั้นแหละเสมอเสมอไป มีใจเป็นสมาธิใจตั้งมั่นอยู่ในขุศนธรรมมีปัญญาพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกดับไปอยู่อย่างนี้ทั้งที่มีวิญญาณคองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรปวนแตกดับไปร่างนับแต่ร่างกายสังขารนี่แหละออกไปจนถึงสิ่งภายนอกนู่นมันก็เหมือนกันนะ นี่เป็นปัญญาขั้นสูงทุกคนต้องบำเพ็ญเสมอเสมอไปเมื่อเห็นอยู่นี่บ่อยๆแล้วมันจะเกิดนิพพิาทาความเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ในโลกนี้เมื่อเบื่อหน่ายมากๆเข้าก็คลายความยึดความถือคลายความรักความชังออกจากจิตใจนี่เรื่อยไปอเมื่อเมื่อจิตใจมันคลายกิเลสเหล่านี้ออกจาก ตนได้เท่าไหร่ความสบายใจมันก็มีเท่านั้นความเบาใจก็มีเท่านั้น อ, อท่านจึงเรียกว่าอานาละโยแปลว่าเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยอะไรต่ออะไรในโลกนี้เป็นเพียงอาศัยอยู่ชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเมื่อหมดบุญหมดกรรมที่ทํามาแต่ก่อนลงไปแล้วก็ออก่อนละโลกนี้ไปเท่านั้นเอง ก็มีแต่กุศลความดีที่ตนรวบรวมไว้นี่จะเป็นพาหานะอำนวยความสุขความเจริญให้แก่ตนในภพในชาติต่อต่อไปถ้าหาความไม่ได้บรรลุมรรคผลิพภานในชาตินี้ก็ดีก็จะเป็นอุปนิสัยปัใจจัยให้ติดตามตนไปจนว่าบุญกุศลที่ตนอบรมบ่มอินทรีย์มานี่มันเต็มบริบูรณ์เมื่อใด นั่นแหละมันถึงจะพ้นทุกข์ได้โดยเด็ดขาดดังแสดงมาขอยุดติลงเทียงเท่านี้